ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟั ง, งทั้งหลายต่ลมพระโพธิยาณกำลังเสนอสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงคิดและทรงกระทมก่อนที่จะจะสรู้อนุตต ร, ส, รสัมมาสัมโพธิญาณซึ่งแต่ละอย่างนั้นก็มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือผู้ที่ ใช้ใจศึกษาเพียงปีนิตพิจารณาธรรมะในสมัยนั้นที่ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ดสัตรุก็รับสั่งเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังไว้ว่าภิกษุทั้งหลายครั้งก่อนแต่การสัสรุเมื่อเรายังไม่ได้ดสัตรุยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่มีความรู้สึกเกิดขึ้นว่า กรมคุณห้าที่เป็นอดีต ท, ที่เราเคยสัมผัสมาแล้วแต่ก่อนได้ดับไปแล้วเพราะความแปรปรวนก็จริงแต่โดยมากแล้วจิตใจก็จะแล่นไปสู่อารมณ์ในอดีตเหล่านั้นน้อยนักที่จะแล่นไปสู่กรรมคุณในปัจจุบันเรื่องอนาคตดังนี้ภิสู่ทั้งหลายความตกลงใจได้เกิดขึ้นแกเราสืบไปว่า ความไม่ประมาทและสติเป็นสิ่งซึ่งเราผู้หวังประโยชน์แก่ตนเองพึงกระทำให้เป็นเครื่องกันจิตในพรอกามคุณหอันเป็นอดีตที่เราเคยสัมผัสได้กระดับไปแล้วเพราะความแปรปรวนเกิดขึ้นเป็นส่วนนี้ที่จริงมันก็แนวเดียวกับพุกามอวิตกแต่ว่าตอนที่ทรงคิดถึงวิตกนั้นทรงแยกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มกุศลวิตกกับ อุ่มกุศลไม่ตกแต่ในที่นี้ก็ทรงดูสภาพประทยัยก็เช่นว่าวัตถุกรรมคือรูปเสียงกลิ่นรสปรุถะพระที่ใจเราไปกำหนดข้าวไว้ว่าหน้าใครหน้าปรารถนาหน้าพอใจนั้นคือตามปกติแล้วใจมนุษย์มันจะแล่นจะแล่นไปสู่การทั้งสามแต่ขึ้นอยู่กับคนอ น, นั้นอยู่ในฐานะอะไร ถ้าเราเทียบเคียงดูในปัจจุบันจะเห็นได้ชัดเจนนะว่าคนที่มีอายุร่วงการผ่านวัยอยู่ในปัจฉิมวัยก็เรียกว่าเลยหกสิบพูดไปหน่อยเดียวท่านก็ย้อนกลับเข้าไปสู่อดีตะจะนาเอาเรื่องสิ่งดีงามสมัยท่านเป็นหนุ่มเป็นสาวมาเล่าสู่กันฟังและจะโหยหาอะไรถึงอดีต แต่ในขณะเดียวกันคนที่กำลังมีความฝันมีจินตนาการปัจจุบันเป็นเรื่องที่จะต้องต่อสู้ต้องแข่งขันเปล่าฟันอุปสรรคอันตรายต่างๆใจจะาคว้าอนาคตปรารถนาความได้ความมีความเป็นในอนาคตจะคนส่วนหนึ่งกำลังประสบความสำเร็จกำลังมีความเจริญก้าวหน้าในปัจจุบัน ก็จะเ พ, เพลิดเพลินกำหัดเพลิดเพลินอยู่ในเรื่องปัจจุบันที่เราสัมผัสในขณะนั้นๆแต่ทีนี้ถ้าเราเทียบกัน่ะเทียบลักษณะก่อนแล้วขณะเราเห็นว่าวัตถุกรรมในอดีตนะแม้จะมันแปลปวนเปลี่ยนแปลงแตกดับไปแล้วในอดีตก็ตามนะแต่เป็นในเชิงสัมผัสเองสัมผัสได้ลึกมันเป็นสัมผัสตรงคือได้เห็นมาเองได้ฟังมาเองได้ถูกต้มมาเองได้ลิ้มมาเองได้จับต้องมาเอง แล้วก็มีความพอใจติดใจสยบติดกําหนัดเพลิดเพลินอยู่พวกนี้จะมีความตึงใจอยู่ภายในใจสูงคือตกค้างอยู่ภายในใจนี่จะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือฝ่ายที่ใจของบุคคลไปกําหนดว่าหน้าใครหน้าปรารถนาน้าพอใจปัจจุบันเป็นเรื่องสั้นๆเพราะถ้าเราดูจริงๆมันเป็นเรื่องขณะปัจจุบันนะแปลว่าเกิดขึ้นเฉพาะหน้า ชั่วนาทีนี้เมื่อผ่านไปมันก็เป็นเรื่องอดีตแล้วที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอนาคตไปแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่จริงมันเป็นวินาทีแต่นั้นเด็กดังนั้นทําให้อารมณ์มันไม่มากอารมณ์ส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องอนาคตแต่เป็นเรื่องอนาคตมันค่อนข้างจะจินตนาการคือเราฝ่ายฝันเหงาไมนจะเกิดขึ้นจริงได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันสัมผัสตรงจริงๆยังไม่มี มันมีแต่จิตมันไปปรุงคิดคิดปรุงเอาวัาในใจเราเวลาทำอะไรเนี่ยทําไปทามามันเลื่อนกลับไปสู่อดีตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออารมณ์สองอารมณ์คืออารมณ์รักกับอารมณ์ชังจิต ใ, ใจจะเลื่อนไหลไปได้ง่ายให้ลองสังเกตว่าบางทีบางคนเนี่ยเราโกรธกันเป็นสิบสิบปียังไม่หายเลย บางคนที่รักใคร่ปลุกพันกันก็เป็นสิบสิบสิบสิบปียังไม่หาอีกฝ่ายหนึ่งตายไปแล้วพอพูดถึงก็ร้องไห้แสดงว่ามีความจึงจาอยู่สูงมากปัญหาสำคัญว่าจิตมันวิ่งย้อนกลับแต่พระองค์ก็ตรวจสอบดูว่าสิ่งที่จะสกัดกั้นจิตเอาไว้ไม่วิ่งกั้ไปสู่อารมณ์ในอดีตมันก็คือสติหรือความไม่ประมาท ว่าไม่ประมาณนั้น่าจะมีอยู่สามสี่ชุดใหญ่ๆสามชุดใหญ่ๆนะชุดหนึ่งเป็นเรื่องของความไม่ประมาทสำหรับคนที่เรียกว่าเป็นผู้ตื่นตัวรู้เท่าทันถึงสภาวะของสัตว์ของสังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งเหล่านี้จะผ่านวันเวลาผ่านชีวิตผ่านอายุไปอย่างคุ้มค่า เรียกว่าไม่ประมาทในในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคเป็นการมองภาพรวมของชีวิตที่เป็นกระบวนการเลื่อนไหลแล้วก็พร้อมจะแตกดับแตกดับเมื่อไหร่ไม่รู้ก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างค่อนข้างใหญ่แต่เราก็หลีกหนีอะไรไม่ได้ตอนเรื่องบางเรื่องเนี่ยที่ท่านสอนให้เจริญเช่นมรณะสติบางทีมรณานุสติ ลักษณะของมรณนาณุสตินั้นก็เรียกตามระลึกถึงความตายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลทั้งหลายที่เราสัมผัสแล้ความตายเหล่านั้นก็จะมาย้อนกลับสู่เราแต่บางทีก็เรียกมรณาณสติคือตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่ความตายซึ่งสัมผัสในขณะเป็นคณิกะมรณนะคือตายอยู่ทุกขณะเนี่ยก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะ ให้มองเห็นว่าชีวิตเนี่ยเกิดดับเกิดดับเกิดดับเราดูที่ลมหายใจเข้าออกหายใจออกไม่เข้าหายใจเข้าไม่ออกก็ดับแล้วลมหายใจก็เป็นกายสังขารเป็นสิ่งที่ปรนเปลือร่างกายให้มีความเจริญสืบต่อกันไปจากจุดนี้เองทำให้คนเหล่านั้นครองชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทในวัยในความไม่มีโรคแล้วก็ในชีวิต วัยะวยะที่เดียนมันเสื่อมนะฮะวัยะในวัยหรือวายะเนี่ยแปล ว, ว่าเสื่อมเพราะชีวิตจริงๆมันมันเหมือนกับมันเหมือนกับ น, น้ําที่ตกลงจากภูเขาคือตกลงจากที่สูงชีวิตเราก็เดินหน้าไปเรื่อยๆอย่างที่โครงโล ก, กนิตเขเอามายกเป็นตัวอย่างห้ามไฟไว้ไม่ให้มีฟันห้ามสุริยะแสงจันทร์สองล่า ห้ามอายุให้หันคืนเล่าห้ามสามนี้ได้จึงห้ามมินทาอายุอีมันมันก็ไหลไปเรื่อยแต่เพราะจะดับเราก็ดับไม่รู้จะดับเมื่อไร่ก็ไม่รู้เหมือนกันเอาขนาดคนที่จเจริญกรรมาฐานอยู่เนี่นะเจริญมรณานุสติหรือมรณสติก็าำทําอยู่สามปีนี่หาคําตอบไปแก่ชีวิตไม่ได้ ก็เรียวกว่าตอบได้คำเดียวท่านเองคือตายแน่มีท่านเล่าไว้ในอัตตกถาธรรมบทถึงชิดาของนายช่างหูคนหนึ่งพระเจ้าทรงรู้อัตฉายะสัยเธอว่าเด็กผู้หญิงคนนี้อายุจะสั้นพระเจ้าก็เสด็จไปโปรดแล้วก็ทรงสอนเรื่องมรณสติให้ตั้งสติระ ล, ลึกถึงความตายคนมาฟังแยะแต่ว่าไม่มีใครติดใจสนใจ ที่จะระลึกถึงความตายแต่เด็กผู้หญิงคนนี้เธอก็จะเริยนมณสติอยู่สาปีพอปีที่สามพระเจ้าก็เสด็จไปเพราะทรงรู้ว่าเด็กคนนี้อายุจะขาดแล้วไปถึงปรากฏว่าเธ อ, อยังไม่ว่างพ่อทรงให้ไปเอาหลอดได้เธอก็รีบทำงานให้เสร็จเพื่อจะได้้าดพระพุทธเจ้า พอตอนเสด็จไปเนี่ยปรากฏว่าพระพเจ้าสเสวยเสร็จแล้วแต่ว่านอกบางรอพระพุทธเจ้าจะกล่าวธรรมกถาอนโมทนาคือสมัยโบราณเนี่ยไม่จะย่าวายะยถาวริมภะจะจะเป็นการกล่าวธรรมกถาสั้นๆเป็นการเตือนจิตสกิจใจของบุคคลทั้งหลายแล้วว่ากันตามความจริงคาถาเหล่านั้ น, น่ในการต่อมาเราก็พระก็ออกมาเป็นบทสวดแต่ว่าสวดเป็นภาษาบาลี วันกว่เด็กผู้หญิงคนนี้เข้ามาใกล้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็มองดูเธอเป็นนัยยะให้รู้ว่าให้เข้ามาใกล้ๆเธอก็เข้าไปใกล้ๆพระเจ้ารับสั่งถามว่าเธอมาจากไหนเธอกล่าวทูลว่าไม่ทราบพระพุทธเจ้าข้าถามว่าจะไปไหนล่ะบอกไม่ทราบถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอกล่าบทูลว่าทราบก็รับสั่งถามมาเธอทราบจริงหรือบอกไม่ทราบ ชาวบ้านที่ฟังไม่เข้าใจอ่ะมันเป็นเล่นลิ้นกับพระพุทธเจ้าก็เลยก็มีเสียงคำนี้ออกมาพระุเจ้าก็ยกขึ้นมาแต่ละประโยคเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการสอนคนใหญ่คนผู้ใหญ่ในตรงนั้นแหละเกลียเข้าใจเด็กมากกว่านั้นและเข้าใจธรรมะ ม, มากกว่านั้นก็รับสั่งถามว่าเมื่อเราถามว่าเธอมาจากไหนเนี่ยทาไมจึงตอบเราไม่ทราบ เขาบอกว่าคือการที่้าบลงมาจากบ้านในช่างหูเนี่ยพระผู้มีพรแกายก็ทราบอยู่แล้วแต่ที่้าบองค์ไม่ทราบว่าก่อนจะมาเกิดเป็นที่ดาในช่างหูเนี่ยคาบลงคเป็นใครมาก่อนและเกิดที่ไหนมาก่อนเนี่ยไม่ทราบเราสั่งถามมาเมื่อถามมาปลายไหนทําไมจึงตอบไม่ทราบเธอก็บอกว่าหลังจากข้าบลงตายไปแล้วเนี่ยก็ไม่ทราบว่าจะไปเกิดในที่ไหน แต่เมื่อรับสั่งถามว่าไม่ทราบจริงหรือครับผมก็ตอบไปทราบเพราะว่าทราบปาตายแน่แต่เมื่อถามว่าทราบจริงหรือก็ตอบว่าไม่ทราบเพราะไม่รู้จะตายเมื่อไหร่นั่นคือลักษณะของชีวิตพอเราเข้าใจชีวิตก็ปรากฏว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะประมาทเพราะเราไม่รู้อะไรเลยเรารู้จักมันก็คิดว่าร้อยเปอร์เซ็นรารู้จักแค่ยี่ิห้าเปอร์เซ็นต์รู้จักว่าตายแน่เรามาจากไหนก็ไม่ทราบจะไปไหนก็ไม่ทราบ อจะตายที่ไหนตายเมื่อไรตายอย่างไรก็ไม่ทราบแต่ว่าทราบว่าตายแน่พร้อมความตายจึงป็นของเทียงแท้แต่ว่าชีวิตไม่ใช่เรื่องที่เที่ยงแท้อะไรความความไม่ประมาทอีกอย่างหนึ่งก็คือในการละทุจริตประพฤติสุดจริตเป็นละทธรมในการปฏิบัติคนเราเมื่อตื่นตัวว่าชีวิตนั้นมันมีความตายดักรอยอยู่ข้างหน้าก็จะโผล่มาเมื่อไร่เราก็ไม่รู้ สิงที่รับผิดชอบได้จริงๆคือปัจจุบั น, นขณะจะทํำยังไงว่าพยายามงดเว้นทุจริตทางกายแล้วปร ะ, ปร ะ, ประพฤติสุจริตทางกายเว้นทุจริตทางวาจาประพฤติสุจริตทางวาจาเว้นทุจริตทางใจประพฤติสุจริตทางใจที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือพยายามทําความเห็นให้ถูกต้องที่เรียกว่าเป็นสมาธิิปัญหาใหญ่คนเราถ้ามีความเห็นเป็นสมาธิิได้อย่างอื่นมันก็เดินไปได้ แล้วการละทุจริตประพฤติสุจริตก็จะเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติถ้าหากว่าเรามีสมมาทิทฐิแล้วก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าสมาทิฏิเนี่ยมันเกิดมาจากเขาเรียกว่าปรตโขสระคือเรียนรู้จากแหล่งต่างๆซึ่งจะต้องส่งเสริมสมาทิฏฐิด้วย ในยอ่านึ่งเราต้องมีระบบความคิดที่เรียกวิโยนิสมนสิกานไปนําเรื่องเหล่รานั้นมาคิดอย่างมีเหตุมีผลมีระบบในการคิดมีกระบวนการในการคิดสามารถเชื่อมโยงเหตุกับผลผ ล, ผลกับเหตุได้แล้วสัมมาจิติคือปัญญานี่ชอบเวิดจะเกิดตัวนี้ถือว่าเป็นระดับศีลธรรมจัญญาถ้าหากว่าท่านผู้ฟังลองสังเกตว่าโครงสร้างทั้งหมดนี้ที่จริงอยู่ในกุศลกัมมบทอกุศลกัมมบท ก็หมายความว่าการละอกุศลกบดเจริญกุศลกบดนั่นเองแล้วกุศลกบดเหล่านั้นท่านก็นเรียกว่ามนุษยธรรมคือธรรมะที่ทำคนให้เป็นมนุษย์ประการต่อไปก็คือเป็นการใช้สติอย่างอย่างต่อนเนื่องเป็นปัจจุบันขณะเรต้องการจะดึงมาอยู่ที่ที่ปัจจุบันนะให้สงบที่ปัจจุบันแล้วค่อยว่ากันอีกเที่ยวหนึ่ง ในความถ้าเราเข้าใจปัจจุบันแล้วอดีตการอนาคตเนี่ยเราจะเข้าใจเพราะดีที่จริงมันมีข้อมอูลเยอะแยะอนาคตนั้นเรายัางไม่เคยเจออนาคตยังไงมันก็ไม่เจอนะเพราะถ้าเจอทุกทีก็เป็นปัจจุบันเทีทุกทีเลยอนาคตท่านจึงแปลว่าไม่มาแล้วมียังไงยังไงแกก็ไม่มาหรอกพอมาถึงก็กลายเป็นปัจจุบันสถานะความเป็นอนาคตก็ดับไป พอปรากฏต่อภาษาสัมผัสของเรา้าบแกก็เป็นปัจจุบันระบาะเราแล้วก็อันย่างอื่นก็กลายเป็นอนาคตต่อไปในขั้นของการตั้งสติระลึกรู้อยู่โดยความไม่ประมาทเนี่ยเป็นการระวัดระมัดระวังใจควบคุมใจตัวเองโดยอาศัยก็จะสติสังวรหรือว่าญาณสังวร เป็นการใช้ปัญญารู้เท่าทันหรือสติเป็นตัวปิดกั้นก็แล้วแต่ในที่นี้สรงเน้นปฏิการปิดกัน้นเพราะสติเป็นพวกเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องสกัดกัน้นความอยากความโกรธความอะไรก็ตามแต่ส่วนใหญ่จะพูดเรื่องความอยากในกรณีนี้พูดเรื่องความอยากนะพูดถึื่องกรรมะคุณเพราะสติก็ระลึกรู้ระวังจิตแม่กําหนัด ใมอารมเป็นที่ตั้งแหงแข่งความกับนัดเพราะตามปกติแล้วเราจะอยู่ท่ามกลางอารมณ์เโลนี้แย่มันไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาเพราะวันเป็นธุรกิจเป็นสังคมเป็นการค้าระดับโลกนะเป็นธุรกิจระดับโลกเป็นการเงินการธนาคารการเศรษฐกิจสังคมอะไรสารพัดแต่มาอยู่ที่ที่ตัวเนี้ตัววัตถุกรรม วะะันมันจึงเป็นกิจกรรมที่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์สูงโน้มน้าจิตใจของบุคคลสูงแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยคนจะอ่อนแอจะอ่อนไหวหไปกับแรงกระตุ้นให้เกิดกำหนัดหรือเกิดโลภะสองอย่างจุด น, นี้ที่จริงเป็นปนัญหาที่หน้าหัวนะอย่างที่เรารณรงค์เรื่องโรคเอสแล้วก็รณรงค์เรื่องยาเสพติดเนี่ย ซึ่งเป็นการดีแต่ว่าวิธีการเนี่ยมันยังสิ้นเปลืองเยอะไม่ได้ควบคุมที่ด้านจิตใจของตัวเองเราเห็นว่าปัญหาเรื่องโรคเอชนั้นมาจากความสับสนทางเพศแทนที่จะไปคิดอย่างที่มีการนำเสนอกันนี่ยคุมคุมจิตแม่กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดได้ไหมมีกา ร, รลดละมีครอบครัวมีสามีพัญญาแล้วก็มีความซื่อสัตย์ต่อกัน อยู่ร่วมกันได้ด้วยความสุจริตใจก็ตรวจโรคตรวจอะไ ร, ต, ะไระต่างๆให้ดีแล้วก็อยู่ร่วมกันเป็นผัวเดียวมีเดียวมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกถ้าเราซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยใจต้องไม่สายไปสแสวงหาเพราะถ้าจะอย่างนั้นแล้วก็ปิดศีนข้อกรารเมียแล้วคือระดับโรคเอเดยที่จริงเอาสีนข้อกรารเมียก็แก้ได้แล้วนะมันไม่ต้องสีนหน้าพรำหรอก แต่เป็นเรื่องแปลกว่าเราใกล้เกลือกินด่างเรื่องของเราแท้แทรู้กันแสนรู้นะฮะแล้วก็ปล่อยเป็นปนัญหาอยู่ได้แล้วก็แก้ไม่ได้เราไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันที่จริงศีลไม่ใช่ศีลหลักนะะไม่ใช่คือไม่ใช่ศีลยากศีลหลักนั่นแหละแต่ไม่ใช่ศีลยากเพราะไม่ถึงกับห้ามการมีเพศสัมพันธ์เพียงแต่ว่าห้ามการสัมสอดในทางเพศเท่านั้นเองซึ่งตรงนี้ที่จริงเป็นกายยัตุเตริ เห็นไหมเป็นอกุศลกรรมบดแล้วก็เป็นการผิดศีล ข, ข้อที่สามในศีลห้าประการแล้วก็เป็นกรรมกิเลสข้อที่สามซึ่งเราเจอที่ไหนก็ตามมือจะห้ามไว้ทั้งนั้นเลยเจอแล้วก็ห้ามทั้งนั้นเกี่ยวกับเรื่องสาสอนทางเพศเนี่ยแต่ว่าการมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ห้ามไว้ทุกแห่งนะฮรศีลห้านี่อนุญาตแต่ต้องเป็นคู่ครองของตัวเอง ไปยุ่งเกี่ยวกับคู่ครองของบุคคลเด่นจงก็หมายความมาครองเรือนครองสุขได้เรียบร้อยแล้วก็สามารถสร้างบ้านในเป็นสปาร์วิมานได้แต่ว่าทำอย่างไงจะระวังใจตัวเองอย้ายกำหนัดในอารมณ์ที่ยั่วยวนให้เกิดความกาหนัดหรือยั่วยวนให้เกิดความโลภย้ายขัดเคืองในอารมณ์เที่ยวยั่วยุให้เกิดความขัดเคืองอย้ายงมงายไล่เหตุผลในอารมณ์ที่ น้มน้าวจิตใจล่อหลอกด้วยวิธีการต่างๆในเพื่อหลงแล้วที่สำคัญ ย, ยิ่งคืออย่าประมาทมีสติรู้ลึกรู้เท่าทันต่ออารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นในการพยายามทำใจอย่างนี้ในอย่สุดเราก็จะตัดระกัดกั้นแม้จิตมันวิ่งไปอดีตไกลเกินไปหรือพล่อยคว้าอนาคตเกิดไปแล้วก็มาอยู่กับปัจจุบันพออยู่กับปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นระดับสมถะก็ระลึกรู้ที่ สมนวนบาลีท่านเรียกอีกคำหนึ่งว่าอารมณ์นุปนิชานคือเพ่งดูอารมณ์เป็นเพ่งดูลมหายใจเข้าออกเพ่งดูภาวนาพุทโธเพ่งดูยุบหนอพองเนอก็แล้วแต่อะไรก็ว่าแม้แต่สัมมาอะรหังที่ว่ากันเนี่ยก็ว่าไปเถอะก็ไม่ได้ว่าอะไรใจก็สงบอยู่กับปัจจุบันกอสงบปัจจุบันได้แกก็ไม่วิ่งหรอกไม่วิ่งไปสู่อนาคตมาวิ่งไปสู่อดีต ทีนี้ถ้าเป็นวิปัสสนาตรงเนี้ยมันจะเกิดพิจารณาพิจารณาก็จะเห็นกฎความจริงของการเกิดดับอารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตก็ตั้งอยู่ในอดีตแล้วก็ดับไปแล้วในอดีตปัจจุบันขณะเราเห็นชัดเจนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอนาคตมันก็คือกันนั่นแหละสนใจก็ยังไม่ขวายคว้าปรารถนาความได้ความมีความเป็นเพราะยังไงยังไงมันก็เป็นเรื่องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นเอง ดังนั้นจึงทรงสอนก็ได้โปรดสังเกตนะทรงใช้ับว่าภิกษุทั้งหลายแต่ว่าในภาคของการปฏิบัตินั้นก็สาถานะทั่วไปแก่คนทั้งปวงนั่นแหละเพียงแต่ว่าในกรณีนี้รับสั่งผ่านภิกษุคือตามปกติเวลาพระเจ้าทรงแสดงเนี่ยมันแยกกันระหว่างพระอาจารบ้านคือพระสงฆ์เนี่ยก็สอนตอนหัวค่ำแต่ชาวบ้านเนี่ยสอนตอนเย็น ชาวบ้านก็สอนตอนเย็นทีน่นี้บางทีเนี่ยชาวบ้านก็มาฟังร่วมกวับพระเพื่มีการความเทศรุ่งเหมือนกันในกรณีนี้ภิกษุก็นั่งอยู่ข้างหน้าโยมก็นั่งอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นก็ใช่ก็บมาภิกษุแต่หมายถึงผู้เห็นภายในสังสารวัฏทั้งหลายเพราะาโดยองคธรรมแล้วก็หมายรวมทั้งพระทั้งชาวบ้านแต่ว่าโดยเพศเนี่ยก็หมายถึงนักบวช่วนเนื้อหาคือผู้เห็นภายในสังสารวัฏจะจะเป็นใครก็ตาม ก็เป็นบุคคลที่ควรจะสนักสำเนียกในเรื่องเหล่านี้เป็นการนำเอาประสบการณ์ตรงของพระองค์มาเป็นอุปกรณ์ในการสอนให้คนในขณะนั้นนะะก็หมายถึงคนในขณะนี้ด้วยนะได้ศึกษาเรียนรู้สำเนียกแล้วก็หาประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ได้ซึงจึงทรงย้ำว่า เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้แม้จิตของพวกเธอทั้งหลายเมื่อจะเล่นก็คงเล่นไปในกามะคุณห้าอันเป็นอดีตที่พวกเธอเคยสัมผัสมาและดับไปแล้วเพราะความแปรปรวนโดยมากน้อยนักที่จะเล่นไปสู่กามาคุณในปัจจุบันเรือนนาคตปิกสูทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ความไม่ประมาทและสติจึงเป็นสิ่งที่พวกเธอผู้หวังประโยชน์แก่ตัวเองพึงกระทําให้เป็นเครื่องป้องกันจิต ในเพราะเหตุแห่งกรรมาคุณห้ามเป็นนาดิที่พวกเธอเคยสัมผัสมาแล้วระดับไปแล้วเพราะความแปรปรวนเช่นั้นหมายความม่าปิดกัน้นความคิดไม่วิ่งไปในาดิแล้วไม่ให้วิ่งไปในโคตให้กําหนดอยู่ที่ปัจจุบันจะใช้ในแนวของสมถะหรือวิปัสสนาก็ได้เหมือนกันแตใช้สมถะก็ใช้เพ่งใช้วิปัสสนาก็ใช้พิจารณาแล้วก็สิ่งที่นํามาเพ่งกับพิจารณานั้นก็เป็นในเดียวกันนั่นเอง ดังนั้นประการสําคัญก็อยู่ที่อยู่ด้วยความไม่ประมาทหรือหรืออย่างมีสติสติพูดในแง่ของระลึกรู้สมานนั้นพูดถึงมีลักษณะของการระมัดระวังก็ที่จริงก็ใช้สตินั่นแหละก็ระมัดระวังเพราะสติกับความไม่ประมาทในแง่ขององค์ธรรมแล้วเป็นเดียวกันเดี๋ยอธิบายสติก็อธิบายว่าคือการไม่ประมาท พระพูดถึงความไม่ประมาทก็บอกว่าได้แก่การไม่อยู่ปราศจากสติคืออยู่ยังมีสตินั่นเองท่านฟังทั้งหลายใตรมประโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาแบบ น, นี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, งอกงามไปบุญในธรรมจุมมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยตัวกันสวัสดี